และอัตถะแห่งนิโรธศาสตร์นั้นก็มีสี่ประการเหมือนกันนิสรณธโธคืออัตถะว่ารื้อตนออกประการหนึ่งอปาลิโธทัทโธคือมีอัตถะว่าหากังวลมิได้ประการหนึ่งอสังขตาตธโธมีอัตถะว่าหาปัจัยประชุมแต่งมิได้ประการหนึ่งอมตตโธ มีอัฏถาว่าเป็นอมรุตธรรมคือความที่มีรู้ตายประการหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันแสดงอัฏถาเป็นปฐมคือนิสรณโถนั้นเป็นลักษณะแห่งนิโรธสัตย์แท้จะให้เห็นเป็นใจความว่าบุคคลผู้ใดสำเร็จพระนิพพานแล้วบุคคลผู้นั้น ก็จะยกตนออกพ้นวัฏฏสงสารมีได้เวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดสืบต่อไปในภพบเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าได้สำเร็จพระนิพพานแล้วก็จะยกตนพ้นจากวัฏฏสงสารได้เป็นแท้พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นอัฏฐานที่บายชนีจึงแสดงอัฏฐะเป็นปฐมคือนิสรณโธเป็นลักษณะแห่งนิโรธสัตว์ด้วยประการชนี และอัตถาอันเป็นคำรบสองคืออปาลิโพทัตโถนั้นมีอัฐถาที่บายตลอดถึงสมุทัยสัตว์จะให้เห็นใจความว่าสัตว์ทั้งปวงซึ่งจะเป็นธุระกังวลอยู่ด้วยกิเลสกรรมพัสดุกรรมนั้นเป็นเพราะมีสันดานยังประกอบอยู่ด้วยตันหาถ้าได้สำเร็จพระนิพพานตัดตันหาเสียได้ขาดจากสันดานแล้วก็จะสิ้นธุระกังวลทั้งปวง จะมิได้กังวลอยู่ด้วยกิเลสกรรมและพัสดุกรรมอัจจะเป็นธุระกังวลอยู่นั้นเป็นเหตุที่ละตัณหาเสียัยไงมิได้พระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นใจความตลอดถึงสมุทัยศัสตร์ชะนีจึงแสดงอัฏฐะคืออัปปริโพทัตโถเป็นอัฏฐะแห่งนิโรธศัสตร์เป็นคำรบสอง และอัตถะเป็นคำรบสามคืออสังขตัดโถนั้นมีอัตถาที่บายตลอดถึงมักขศัตร์จะให้เห็นใจความว่าโยคาวจรเจ้าผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นว่านายช่างเรือนกล่าวคือตัญหานั้นย่อมตกแต่งเครื่องเรือนคือรูปกายให้แก่สัตว์ทั้งปวงให้สัตว์ทั้งปวงเวียนทุกเวียนยากทนวิบากอยู่ในเรือนของตน อันจะคิดอ่านอุบายหลบลีนี้ไปจากเรือนอันตันหาตกแต่งไว้นั้นอาศัยแก่ปฏิบัติตามมัคคสัตตนั้นนั้นและจะเป็นอุบายที่จะให้พ้นจากเรือนคือตันหานั้นได้นายช่างเรือนคือตันหาก็มีอาจจะตกแต่ ง, คงเครื่องเรือนคือรูปกายนี้ได้อาศัยแก่ปฏิบัติตามมัคคสัตรพระพุทธองค์ ประสงค์จะให้เห็นใจความตลอดถึงมรรคสั์ชนี้จึงแสดงอัฏฐะคืออสังขตัตโถเป็นอัฏฐะแห่งนิโรธาสัตเป็นคำรบสามและอัฏฐะเป็นคำรบสี่คืออมะตัตโถนั้นมีอัฏฐาที่บายตลอดถึงทุกขอริยสัตคือจะให้เห็นว่านิโรธศสัตนั้น เป็นน้ำอมฤตเป็นที่จะระ ง, งับโรคกล่าวคือกองทุกทั้งปวงบุคคลอันเป็นโรค12ประการมีเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดเป็นต้นเป็นประธานนั้นถ้าได้ดื่มกินน้ำอมฤตคือพระนิโรธาสัตว์แล้วโรคทั้ง12ประการมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นก็จะระ ง, งับดับหายเป็นอันแท้ บอกว่ากองทุกทั้งปวงจะสิ้นจะสูญไปนั้นอาศัยแก่พระนิพพานพระศาสดาจารย์จะให้เห็นใจความตลอดถึงทุกขอริยาสัจชนี้จึงแสดงอัฏฐะคืออมตะโถเป็นอัฏฐะแห่งนิโรธาสัจเป็นคำรบสี่สิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอัฏฐะแห่งนิโรธาสัจสี่ประการ